การตายด้วยสึนามิร่วมกันนับแสนคนเป็นเพราะพวกเขาไปทำกรรมใดร่วมกันมาเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมื่อปีพุทธศักราช2547คนมักถามกันว่าผู้เคราะห์ร้ายเคยทำกรรมใดร่วมกันมาจึงร่วมตายเกือบพร้อมเพรียงอย่างนั้นถึงสามแสนคน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 การประสบเคราะหกรรมร่วมกันชนิดที่สอถึงอดีตกรรมที่เคยทำมาด้วยกันนั้นจะเป็นประเภทกลุ่มคนที่รู้จักกันร่วมทางหรือลงเรือลำเดียวกันประสบกับรูปแบบเคราะหกรรมเดียวร่วมกันเช่นในคำพีก็มีเรื่องของเหล่าภิกษุไปติดในถ้ำด้วยกันอดอยากปากแห้งร่วมกันอยู่หลายวันก็เพราะกรรมหมู่ในอดีตชาติ ที่เคยร่วมกันกักขังสัตว์ให้ได้รับความทรมานเป็นต้น